คำนิยมหนังสือหิมะกลางฤ ด, ดูร้อนหากคนเราเปรียบความทุกข์กับฤ ด, ดูร้อนที่ทำให้ใจเราว้าวุ่นเหนียวเนอะหนะหิมะสีขาวคงเหมือนละ อ, องแห่งความสุขงบโปรยปายมาบรรเทาความร้อนนั้นอย่างน่าอัศจรรย์หนังสือหิมะกลางฤดูร้อน snow in the summer เหมือนละ อ, องสว่างแห่งปัญญา ที่จุดประกายให้ผู้อ่านได้เรียนรู้และพัฒนาสู่ศักยภาพสูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์พัทรินสอสติกุล